พระธรรมเทศนาที่อัดมวในเทพมวลนี้ท่านอาจารย์มหาบัวยานสัมปันโนได้แสดงในเมื่อในวันวิสาขาบูชาในาวันที่สิบห้าและสิบแปดพฤษภาคมสองห้าศูนย์แปดให้คณะท่านาศาสตราจารย์ในแพทย์อวยเกศสิงห์ฟังวันอัตรยมนุษย์ที่บุคคลอัศจรรย์ ได้อุบาทขึ้นคือพระพุทธเจ้าพระสูตรตรัสรู้และพระเดชจักขันธปณิพานทั้งสามสมัยมีตรงกับวันเพ็ญเดือนหกเ ป, นเป็นวันอศัศกรรม์และเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่บรรดาเราทั้งหลาย ที่แมได้ทราบแต่วิธีศัพทิธิคุณของพระองค์คือประสูตรตัสรู้ก็ดีการประสูติของพระองค์ท่านประสูตดออกจากพระคันของพระนางสิริมหามายานี่คือพระมารดาของท่าน พระสนบคือพระราชบิดานั้นได้แก่พระเจ้าสิโทโธธนะมหาลาทั้งสองพระองค์นี้ท่านได้อัจริยะมนุษย์มาเป็นพระโอรสของท่านอัจริยะมนุษย์ประเภทนี้เป็นบุคคลที่หาได้ยาก คหนึ่งไม่มีสองได้แก่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลกแต่ว่าพระองค์นี้จะซ้ํารอยกันไม่ได้มีท่างเดียวเอกนามากิณหนึ่งไม่มีสองคืออะไรคือพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกซึ่งตรงกับวันนี้เป็นวันเริ่มมหามงคลจะปรากฏขึ้นในโลกได้แก่พระพุทธเจ้าประศุ ในทางพระกายถ้าพูดตามภาษาของเราก็เรียกว่าพระศิษฐ า, าราชะกุมาเกิดนั่นเองที่เกิดจากพระครรภ์ของพระมารดาต่อจากนั้นเมื่อมีพระชนมายุพอสมควรแล้วก็สเสะโวหารจะสมบัติแทนพระราชาบิดาอยู่ทิสามปี ในระยะที่พระองค์ทรงครองราชสมบัติยู่นั้นก็ทรงรู้สึกในพระทัยว่าบัดนี้พระองค์ได้เป็นผู้ใหญ่แล้วตั้งแต่วันได้รับราชาทิ่เสร็จคือเป็นพระตับครองแผ่นดินทรงพิพารไตรตรองทั้งทางบ้านการปกครองนอกจากนั้นแล้วยังเป็นเหตให้ ได้ทรงไตรตรองถึงอุบายวิธีที่จะปกครองบรรดาประชาน้าทั้งหลายให้มีความร่มเย็นในพระบารมีของพระองค์ยิ่งคิดไปมากเท่าไรพระบารมีที่มนทรงสั่งสมมายอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นเหตุให้ส่อขึ้นในเระไทยและทรง เป็นเรื่องนี้บรรดนุบรรดาให้พระองค์จับจ ะ, สะเสด็จพระาพาสในสถานที่ต่างๆเมื่อสเสด็จพระาพาสไปในสถานที่ใดก็ล้นแล้วแต่พระบารมีเป็นเครื่องบรรดลบรรดาลให้พระองค์เจ้าทรงทอดพระเนตรและได้ทรงสปรดพระไถยในสภาพที่ใดทรงพระเนตรนั้ น, น, น ควเม่เสด็จออกไปคราวแรกก็ได้เห็นเด็กเล็กๆที่เพิ่งครอะก็ได้ทรงพิจารณาเสด็จออกไปวารละที่สองก็ได้เห็นคนแก่ถือไม่เท้าเดินง่อมเง้มง่อมเง้มเจอไปครั้งที่สามก็ได้เห็นคนตาย ซึในพระราชวังนั้นไม่ค่อยจะมีคนประเภทที่ให้พระองค์สรุปสังเมตชเสด็จต่อไปชั้งที่สี่ก็ได้เห็นเทพของสมณะแต่สมณะในครั้งนั้นจะเป็นสมณะประเภทใด น, นั้นยังไม่แน่นอนนะักเพราะถระจ้าเวเป็นประเภทแห่งสมณะที่เป็นนักบวชนุ่งเหลืองห่มเหลืองอย่างนี้ก็คงยังมีไม่ได้ เพอาศาสนาพระพุทพธเจ้าของเรายัางไม่อุบัติคงเป็นเพศสมณะที่สงบลายวาจาด้วยการประพฤติปฏิบัติตประธรรมยู่ตามลัทธิของตนซึ่งมีเกลื่อนอยู่ในโลกนี้มาแต่การไหนไหนทั้งสีวรระที่พระองค์ได้ทรงทอดพระเนตรนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับจะทรงเตือนพระบารมีของพระองค์นิเตือนพระทยของพระองค์ ซึ่งได้ทรงบำเพ็ญมาอย่างสมบูรณ์แล้วให้ได้มีกำลังยิ่งขึ้นจึงเป็นเหตุให้ทรงสนพระทัยต่อการพินิจพิจารณาสรดสังเวชต่อเรื่องทั้งเรื่องเกิดขึ้นมาเบื้องต้นของบุคคลทั้งไวแกของบุคคลที่แสดงอาการเปลี่ยนแปลงจากบุคคลคนเดียวคือจากเด็กไปเป็นผู้ใหญ่แล้วเปลี่ยนแปลงจาก ความเป็นผู้ใหญ่ความแก่ชรานั้นกลายไปเป็นคนตาดให้พระองค์เจ้าทรงสดดพระไทยสเสด็จกลับพระราชวังทุกๆครั้งที่ได้ทรงทรอดพระเนตรเห็นสภาพการเช่นนั้นละครั้งที่สี่ก็อเป็นเหตุให้ทรงพอพระไทยเห็นเพศสมณะรู้สึกว่ามีความสองอบงเงียน่าหื่ใสหน่ายินดี ใิ่งทรงสนพระไทยมากขึ้นแม่ที่สุดเสด็จประทับอยู่ในหอประสาทในคืนวันจะเสด็จออกทรงถนวด น, นเป็นเหตุใหม้มีหลายเรื่องหลายประการที่จะทรงเตือนพระไทยพระองค์ซึ่งแต่ก่อนานางนักสนมบริสัท์บริวารที่ในทรง ที่ได้บำรุงบำเรอพระองค์ให้มีความสุขความสำ้มดานบานกระถัยนั้นในคืนวันนั้นรู้สึกว่าสแสดงความริปริ์ผิดคนสามัญธรรมดาจนกลายเป็นเหมือนกับป่าชาพิดขึ้นในพระราชาวังของพระองค์ท่านที่นอนเกลื่อนสนกันอยู่สแสดงกิริยาท่าทางเหมือนกับคนที่ตายแล้วก็มีเหมือนกับคนก็เสือกกระสนกาลังจะตายก็ดีเมื่อเทียบ การได้จัดไดยส่วนแล้วพระองค์ก็ทรงทราบทัพว่าเป็นเหมือนกับปาท้าผีดิบในพระราชาวังของเราอยู่ที่ไหนก็ทรงไม่พอพระทัยที่จะอยู่ได้ในจําเป็นต้องเสด็จออกขนวดในกลางคืนวันนั้นมีนายชันนะตามเสด็จมากรัต ก, กะซึ่งเป็นมาสงของพระองค์ท่านเสด็จออกไปเสียในเวลากลางคืนมีเป็นเรื่องที่พระองค์ท่านเริ่มจะ ทรงส่งเสริมพระบรารมีของพระองค์ท่านให้สมบูรณ์เต็มที่โดยวิธีทรงออกผนวดประพฤติตปะธรรมพณะนักพิจระาพิถิมานะขณะทุกสิ่งทุกประการน่าจะสมบัติไฟฟ้าประชาแผ่นดินกว้างแคบที่อยู่ในร่มเงาพระบรารมีของพระองค์ท่านได้ทรงสนากเสียทิ้นในวันนั้นแม้ที่สุดพระชะนก คนมีพระชายาพระลูกรักก็ได้สละไปหมดตลอดถึงตำแหน่งแห่งพระมหากรัตย์ที่ได้ตรงครองอยู่ก็สละไปหมดรายไปเป็นนักบวชเป็นคนขอทานอยู่ในป่าในเขาซึ่งสมัยนั้นไม่มีศาสนาคนไม่ค่อยจะเชื่อในผลสีลพ้นทานการทำบุญทาทาน พระองค์ท่านคงจะรับความลำบากง่ายน้อยทีเดียวเพราะศาสนาก็ไม่มีคนไม่มีความเชื่อความน่มสายต่อคุมงามความดีถึงอย่างนั้นก็ไม่ทรงทอดพระภัยทรงบำเพ็ญพระองค์ท่านถึงกับสลบสลายถึงสองสามครั้งจนกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกแต่เพราะอาศัยความภาคเพียรพยายามเป็นเครื่องหนุนพระองค์ท่านดี ก็สามารถจะยางคงท่านให้พ้นจากความทุกข์ภายในได้จะเชื่องเกลียดแทงภายในจิตใจในตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในวันเดือน6กเพ็ญซึ่งตรงกับวันนี้เมื่อได้ตรัสรู้พระนุตรสัมมาสัมโพธิญาณสมกับความ ที่พระองค์ท่านสาัสนาไว้แล้วก็ไม่ทรงพอพระทัยเพียงเท่านั้นยังมีพระมหากรุณาที่คุณอย่างยิ่งแต่บรรดาจับทั้งหลายไม่ได้ทรงนิ่งนอนพระองค์อยู่เพียงความจับชั่วลู่ได้รับความสุขอันเป็นบรมสุขโดยลำพังพระองค์เองเท่านั้นยังมีพระเมตตาอย่างยิ่ง เกี่รวกาศศาสนาเบื้องต้นก็แสดงทำเกิดเบญจวัคคีย์ทั้งห้าโดยยกธรรมจักรพระวัฒนาสูตรขึ้นแสดงเบญจวัคคีย์ทั้งห้าก็ได้บรรลุพระโสดาปฏิมาปฏิผลจนนำหนับจนกระทั่งถึงอรหัตผลมีพระสาวกห้ารูปด้วยกันนี่เป็นพระษินาตก แล้วก็สั่งบรรดาสาวกทั้งหลายเหล่านั้นให้ประกาศประกาศ า, าสนาโดยไม่ให้ไปด้วยกันแห่งละสององค์ให้ไปแห่งละองค์องค์คือไม่ซ้ํารอยกันไปเพื่อประกาศ า, าสนาจะได้เจริญยิ่งเรียนบรรดาสาวกทั้งหลายที่ไม่เป็นที่ไว้พระทัยของพระองค์และเป็นที่ไว้ใจใจของตัวเองได้แล้วก็เที่ยวประกาศประกาศาสนาเนี่ยทำสั่งสอนไปชาชน ให้รู้จักถึงเรื่องการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาคุณงามความดีที่จะควรได้ควรมีเกิดบรรดาพุทธบริษัทก็ได้ดำเนินไปตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าและสาวกท่านสอนไว้ก็กลายเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธทเจ้าขึ้นมาเป็นลำดับลำดับไม่นานเท่าไรนกักก็ปรากฏมีพระหัต์ขึ้นมาถึงหกสิองค์ถึงพันกว่า จากนั้นไปแล้วก็ได้ศาสนาก็แผ่กระจายไปทุกทุกทุก ท, กทางเป็นเวลาสิบห้าพัรษาที่พระพุทธเจ้าท่านทรงประกาศพระศาสนาให้บรรดาประชาชนทั้งหลายได้ทราบเรื่องจึงได้เสด็จดับขันธพรปรินิพานธรรมที่พระองค์ท่านตรัสรู้นั้นเป็นธรรมที่อัศจรรย์ยิ่ง ในสมัยนั้นไม่มีใครจะสามารถรู้ได้มีพระองค์ท่านเป็นพระองค์แรกที่ได้จัดสรุธรร ม, มหัาจักรย์ขึ้นในพระไถยต่อจากนั้นก็มีสาวกไม่รู้ตามเห็นตามพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นลำดับลำดาพระศาสนาจึงมีความเจริญรุ่งเรืองในระยะสี่สิห้าพระวาราศาก็รู้สึกว่ามีประชาชนที่สนใจต่อพระพุทธศาสนา บำเพ็จทงงาำความดีตามพระองค์ท่านมีจํานวนไม่น้อยแม้พระองค์ท่านจะปริพันธ์แล้วพระศาสนาก็คือคําสอนของพระองค์ท่านก็เป็นาศาสดาแทนคือพระธรรมหนึ่งพระวินัยหนึ่งในข้อนี้พระอนุ์นนก็ได้ทูลถามพระองค์ท่านด้วยความมิตกกังวลเวลาพระองค์ท่านในปริพันธ์ไปแล้วจะไม่มีครูเมียจารเป็นผู้แนะ น, น, นํำคำสอนพระองค์ท่านก็เลยยก พระธรรมกับพระเวไนขึ้นว่าพระธรรมและพระเวไนที่เราได้ทรงบัญญัติและสั่งสอนไว้แล้วนี่แหลยจะเป็นศาสตาแทนเราตถาคตถ้าท่านครูใดมีความจงรักภักดีต่อเราตถาคตมีความเชื่อความนมสัสยอยากจะกดเครื่องทุกธานใน จ, จิตใจทั้งตนเป็นท่านๆเกินลายจนถึงมิมุธอันผุดยอดแล้วโกรธได้มีความเคารพในหลักธรรมหลักเวไนที่เราตถาคต ได้สั่งสอนเอาไว้เพราะหลักธรรมในที่ตถาคตได้สอนไว้นี้เป็นสุขาตธรรมคือตรัพไว้ชอบแล้วไม่มีสิ่งใดจะบกพ่องในคําพูดของตถาคตที่ได้แสดงออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจแด่บรรณาพุทธบริษัททั้งหลายและเป็นนิยานิกรรมเมื่อผููปฏิบัติตามหลักธรรมของตถาคตแล้วต้องมีความบุดพ้นเป็นผล ตอบแทนเป็นลำดับไปจนถึงหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงมีเป็นพระโอวาทที่เป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าแม้พระองค์ท่านจะปริพานนานสักเท่าไหร่ก็ตามก็จากแต่เป็นมีล่ำเวลาเป็นการสมัยของมืดสว่างปีเดือนเท่านั้นคุณงามความดีก็ดีหลักของพระธรรมวินัยที่เดชรงสั่งสอนไว้แล้วก็ดีที่ออกมาจากเท่า มหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านหาได้เสื่อมสูญหรือลดน้อยถอยลงไปตามการเวลาที่ผ่านไปไม่เราทั้งหลายมีความสนใจจะประพฤติปฏิบัติตามพระโอวาทคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ก็ชื่อว่าเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกๆเวลาที่เราประพฤติปฏิบัติหรือละลึกถึงพระพุทธเจา้าเพราะคําว่าสาสนานั้นไม่ได้หมายถึงพระรูปพระโฉมของพระองค์ท่านโดยทายเดียว แต่หมายถึงใจที่บริสุทธิ์หนึ่งหมายถึงพระโอวาทธรรสอนของพระองค์ท่านที่ได้ตรัดไว้แล้วโดยชอบธรรมหนึ่งนี่เป็นหนักสําคัญที่ยังสถิตอยู่กับใจกับกายวาจาของพวกเราทั้งหลายผู้มีความไข้ตอบรัตนาตราคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ฉะนั้นเราทั้งหลายอย่ามีความเดือดร้อนจิตใจว่าพระพุทธเจ้าปฏิพานไปแล้วการจะจากที่พึงหาที่พึ่งไม น, น่าเกิดวความม้าเว แต่หลักพระธรรมมีนายนั่นแหลเป็นศาสนาแทนของแทนของพระพุทธเจ้าของเรานณวนสุดท้ายพระอานุ์ก็ทูลถามพระองค์ท่านอีกว่าเมื่อพระองค์เจ้าปรินิพานไปแล้วจะนานประมาณสักเท่าไหร่พระอรหันต์จึงจะสิ้นสูญจากโลกหรือว่ามรรคผลนิพานจะมีอยู่ประมาณสักเท่าไหร่พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบพระอานนุ์ว่า อนุนทำไมจึงต้องถามอย่างนั้นเล่าเพราะมรรคผลนิพพานนี้ตถาคตไม่ได้เอาไปด้วยเพราะเหตุใดเพราะว่าสว ข, ขาตธรรมที่ตถาคตได้แสดงมาแล้วแสดงไม่เพื่อมรรคนิพพานทางนั้นทุกบททุกบาทที่ตถาคตเทียไว้ไม่ได้คีดให้นอกหลักจากเหตุผลที่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามจะผิดหวังแต่เราตถาคตแสดงไว้เพื่อเบื้องต้น ท่ากลางและที่สุดได้จะยึดยึดพมิทฐานทางนั้นท่านผู้ใดมีความสนใจประพฤติปฏิบัติต่อหลักธรรมที่เราได้ตรัสได้ชอบแล้วผู้นั้นจะเป็นผู้ได้รับครามเป็นธรรมอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เราตถาคตยังมีชีวิจีทั้งที่เร า, ถาตราถาคตปรินิพพานไปแล้วเพราะส่วนขาตธรรมนี้ไม่นินยมการนินยมเวลาเรียกว่าเป็นอากาลิโก คือมีอยู่เป็นอยู่เช่นนั้นไม่เอียงไปตามสมัยตามการตามเวลาหากว่าท่านผู้ใดประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรจะทาพระหันจะไม่สิ้นสูญจากโลกอานน์ไม่ต้องสงสัยแต่การสงสัยนั้นให้สงสัยในตัวเองว่าเวลานี้การประพฤติปฏิบัติของเรามีความสามารถเจ้ากราเท่าแค่ไหนถ้าเรามีความเกียดคร้าน ไม่มีความขายันหมั่นเพียรหมดศรัทธาความเชื่อความหลนใฝ่ต่อคุณงามความดีที่ตนดับเพลินได้ถึ ง, งแม้แต่ขาคตจะยังมีชีวิตอยู่หน้าบัตรนี้ก็าตามบุคคลผู้นั้นก็เป็นโมฆะบุรุษโมฆะสตรีหาประโยชน์ไม่ได้ไม่เพียงแต่ว่าเราจะมีฐานไปแล้วแม้เขาจะอยู่กับเรารู้จับชายกีวรเราไปมาตามเราอยู่ตลอดเวลาคนนั้นก็หาในชื่อว่าตามเราตาาคตไม่ แต่ผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรจะทำนั่นและคือว่าตามเราถากตและชื่อว่าบูชาเราถากตอยู่ตลอดเวลาและชื่อว่าได้เข้าเป้าถาคตพร้อมตั้งพระธรรมเนี่ยพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาขอให้อานุนทำความเข้าใจอย่างนี้มีเป็นพระโอวาทคำสอนของพระพะุทธเจ้าที่ตรัสกับพระอานุนส่วนสุดท้ายและทำทั้งหลายที่พระองค์ท่านสอนนั้น พระองค์ท่านจะผ่านไปแล้วข้อตามธรรมะที่สอนไว้แล้วจะมีเวลากี่ปีกี่เดือนถ้าคำนวณแล้วเปนสองพันห้าร้อยแปดปีนี้ข้อตามก็อที่ถึงเรื่องความมีอยู่ความเป็นอยู่ทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สูญไปจากโลกคือสิ่งที่ถูกพระองค์ท่านกล่าวไม่มีสิ่งใดที่สูญไปจากโลกเพราะฉะนั้นสัตว์จะทำจริงเป็นของคงที่อยู่เช่นนี้ ด้วยอํานาจแห่งทำเป็นของจริงคําว่าสัจธรรมมีอะไรบ้างท่านตรัสไว้ว่าหนึ่งทุกมีทั้งสัตว์มีทั้งบุคคลมีทั้งท่านมีทั้งเรามีทั้งทุกทางกายมีทั้งทุกทางใจความทุกความบีบคั้นไม่ให้อยู่ด้วยความสะดวกสบายถ้าเป็นน้ําก็ถูกรบพวนอยู่เสมอหาเวลาใสสะอาดไม่ได้นั่นแหละท่านเรียกว่าทุก ไม่ควรในสถานที่อืน่นจะควรกายควรใจของเราแล้วถัดให้รับความเดือดร้อนเมื่อทุกนี้เข้าไปกาะควนที่ไหนคนนั้นแม้จะนั่งตัวตรงอยู่ก็ตามก็แสดงอาการเอเอยเอียงเป็นแสดงอาการนสํมระสายถ้ามากกว่านั้นก็ตายนี่คือทุกข์ดิพั น, นทุกเหล่านี้มีอยู่ที่ไหนขอให้เราทุกๆุกท่านพิจารณาคำว่าทุกนี้พระพุทธเ จ, จา้าท่านเห็นเป็นของจริง สาวกทั้งหลายท่านเห็นเป็นของจริงเราเห็นเป็นอะไรบ้างนี่ความเห็นที่เห็นผิดจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี้เองเป็นเครื่องที่จะสัง้งลังควันหรือเป็นการส่งเสริมทุกให้มีกำลังมากบีบพันตนเองไปได้ธรรมาสมูทยัยคือความฟุ้งเฟอ้เฟอเหอเหิมความไม่รู้จักสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวประพฤติตามความยาก อยากอะไรก็ทําตามความอยากไม่ได้นําธรรมะมาไตราตรองไม่นําธรรมะมาปีดขวางหรือกัน้นกลางความอยากอ น, นั้นเอาไว้ถ้าหากว่าน้ําถ้าเราจะเทียบด้วยน้ําน้ําก็ไหลไปตามลําคลองไม่มีอะไรปิดกัน้นเราจะนําเอามาใช้ประโยชน์ก็ไม่ได้เวลาหมดเราดูผลไปแล้วน้ําก็เหือดแห้งไปหมดในลาคลองหรือหัวหนองคลองบึง น, นี่ เรื่องของสมูทยก็ต้องไหลไปเึ่นนั้นเสมอสมูทยแปลว่าแดนเกิดแห่งทุกข์พูดง่ายๆก็คือว่าสมูทยเป็นพ่อเป็นแม่ของทุกข์เป็นผู้ผิดทุกข์ขึ้นมานี่พระพุทธเจ้าท่านเห็นสมูทยนี้เป็นของจริงวิธีแก้สมูทยแก้ด้วยอะไรพระองค์ท่านก็สอนไว้อย่างบรรณาท่านทั้งหลายที่บำเพ็ญคุณงามความดีทุกประเภท คามกําลังศรัทธาความสามารถของตนเหล่านี้ล้วนแตน้วจะเป็นทางดับทุกข์ไปเป็นลาดับจะให้ทานมากน้อยก็จัดว่าเป็นทางดําเนินเพื่อความสิ้นสุดแห่งทุกข์ได้แต่รักษาศีลจะเป็นศีลประเภทใดศีลห้าศีลแปดศีลสี 5, ส่ศีลสองร้อยยี่เจ็ดเป็นอุบายยุธีที่จะดับทุกข์ได้ทางนั้นภาวนาเราจะอบรมด้วยยุทธีใด เพื่อทำจใจของเราให้มีความสงบเยือเกเยน็นเหล่านี้เป็นต้นล้วนแน่ตั้งแต่เป็นอุบายยุธีที่จะแล้รับดับสมูทัยให้สิ้นทุกไปจากใจได้ทั้งนั้นนี่คำว่ามรคนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เห็นว่าเป็นของจริงนิโรธะคือความดับชนิดแห่งทุกข์ด้วยอํานาจของสมูทยัยพระองค์ท่านก็เห็นเป็นของจริงเพราะเหตุใดเพราะทุกข์ก็มีกับพระพุทธเจ้า สมุทัยก็มีอยู่กับพระพุทธเจ้ามรรคคือข้อปฏิบัติพิธีดําเนิน ท, ที่จะระงับดับสมุทยัยเพื่อให้ทุกข์นั้นสิ้นสูญไปก็มีอยู่กับพระพุทธเจ้านิโรธาความดับผลิตแห่งทุกข์ด้วยอํานาจของมรรคก็มีอยู่กับพระพุทธเจ้าทุกจริงทุกอย่างพระพุทธเจ้ามาได้หามาจากที่ไหนเต็มอยู่ในพระองค์ท่านทางนั้นแล้วจะให้พระองค์ท่านบกทร่องที่ตรงไหน เมื่อได้พิจารณาให้ถึงฐานความจริงของทุกขให้ถึงฐานความจริงของสมุทยัยด้วยอํานาจแห่งความเพียรที่สัมพยุดด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยศรัทธาความเพียรด้วยอํานาจแห่งทานทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรื่องของมรรคก็ต้องมีกําลังเพราะได้รับการส่งเสริมจากผู้บําเพ็ญอยู่เสมอเมื่อมรรคคือพอปฏิบัติหรือทางดําเนินมีกําลังหรือมีความสะอาดมากขึ้นเท่าไหร่ก็เป็นเครื่องขัดเก้า พิเรศที่เป็นตัวสมุทรไทยนั้นให้หมดสิ้นไปจากไกลเรื่อยๆเพราะอำนาจของสมุทรไทยนั้นได้หมดไปหมดไปด้วยเหตุไม่มีการส่งเสริมแต่มีการที่จะระงับดับลงไปทุกวันทุกวันไม่ว่าสิงใดๆเมื่อขาดการส่งเสริมแล้วจะมีวันเจริญเติบโตขึ้นไปไม่ได้ไม่ว่าสิ่งที่มีวิญญาณคองหรือไม่มีวิญญาณคลอง เช่นต้นไม้ไม่มียีนยานแข็หากว่าไม่มีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงที่จะเสริมเขาให้มีกําลังแล้วเขาจะเติบโตขึ้นไปไม่ได้ยีงการสาขามีมากเท่าไรก็จะต้องเหี่ยวแห้งยุบยอบตายไปด้วยกันหมดเพราะขาดอาหารเป็นเครื่อง บ, บํารุงหรือเครื่องส่งเสริมคนเราหรือสัตว์ก็เหมือนกันมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายหากว่าหมดอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายแล้วก็ไม่มีวันเจริญเติบโตนอกจากจะตายไปเท่านั้น นี่ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลไม่ว่าต้นไม้เมื่อขาดการบารุงแล้วต้องเป็นอย่างนั้นนี่กิเลสตัณหาที่มีอยู่ในพระทัยของพระพุทธเจา้าก็เป็นกิเลสตัณหาประเภทเดียวกันกันกบพวกเราเมื่อพระองค์ท่านพายายามส่งเสริมสิ่งส่งเสริมเครื่องมือคือคุณงามความดีเพื่อจะตัดทางงอกขึ้นแทงกิเลสตัณหา โดยลำดับลำดับแล้วทิ่เรตัญหาก็ไม่มีกําลังแต่กล้าสามารถที่จะรังความพระองค์ได้จนกลายเป็นความมึดุดขึ้นมาเพราะอํานาจแห่งการบํารุงที่เรตัญหาที่กองอยู่ในหัวใจก็ของพระองค์ท่านก็สิ้นสุดไปหมดไม่มีอันใดเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยนั่นทุกท่านก็เห็นมาเป็นของจริงเป็นเพียงทุกอันหนึ่งเท่านั้น สมุทยัยก็เห็นเป็นของจริงคือสมุทยัยถ้าเสริมขึ้นก็ต้องเป็นเรื่องความเดือดร้อนจริงๆจะให้เป็นอื่นไปไม่ได้เรื่องทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วจะกลายเป็นสุขไปไม่ได้ต้องเป็นเรื่องของทุกข์อยู่เท่านั้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในกายไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในใจไม่ว่าจะเกิดขึ้นในสัตว์ในบุคคลในท่านและเราต้องเป็นทุกข์เหมือนๆกันหมดความรู้สึกในทุกข์ก็ต้องเป็นความเดือดร้อนเหมือนกัน เรื่องของสมูไทยถ้าได้กอ่อตัวขึ้นในหวัวใจของผู้ใดไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลต้องทําความเดือดร้อนแก่ผู้นั้นอยู่เสมอนี่เป็นของจริงไปในทางทิ้งไปในทางคุกเป็นของจริงไปในทางหนึ่งสมูไทยเป็นของจริงไปทางหนึ่งมากก็เป็นของจริงไปในทางหนึ่งเมื่อของจริงได้มาพบกันแล้วใจก็กลายเป็นของจริงขึ้นมา เรื่องของทุกของสมุทัยโลดมากเป็นของจริงแต่ละอย่างละอย่างเพราะอํานาจของปัญญาพิเศแทงตลอดเรื่องความจริงทั้งหลายใจก็ได้ถอดถอนจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่เคยค้าเข้ากันมาเป็นนานๆกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาเป็นของจริงอันหนึ่ง น, นี่แต่ของจริงในพุทโธ ท, ที่หลุดพ้นจากสยู่นั้นเป็นของจริงพิเศษ จ, จากของจริงทั้งสี่ประการนั้นนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่านตรัสร่อยนี้ เราทั้งหลายก็เป็นลูกเต้าเราก็ที่เรียกว่าพุทธบริษัทก็ควรจะคำหนึงถึงเรื่องทุกข์ของเรามีน้อยก็ต้องทําความเดือดร้อนให้เรามีมากก็ทําความเดือดร้อนให้เราลงพยายามฝึกหัดตัดแต่งของตนตัวของตัวให้ได้ในชาตินี้เราก็เห็นชัดเจนแล้วในกายในใจของเราที่เกี่ยวกับทุกข์เพราะทุกข์นี้ไม่ไปอยู่ที่ไหนเราจะปลูกป้านต่างเรือนให้มันไม่อยู่ทั้งนั้นน่ะ ถ้าในกายของคนและสัตว์ได้ชอบเต็นทีกายของคนและสัตว์แล้วทุกข์ชอบเต็มทีตั้งอยู่ได้วันยั่งคําคืนยังลุ่งตั้งอยู่ได้ในหัวใจของคนแะสัตว์นั่นตลอดกลับตลอดกันถ้าเกิดก็เกิดด้วยกันแก่ก็แก่ด้วยกันตายก็ตายด้วยกันแต่ทุกข์ไม่ตายเพราะใจไม่ตายนั่นใจไปไหนทุกข์ก็ไปด้วยต่อเมื่อเราได้ชำระตาสางให้ระงับดับลงไปเสียโดยจิ่งเชิงแล้วก็เป็นเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราแม้คําว่าจิต ที่บริสุธิเป็นของที่มีอยู่ประจําองค์แห่งพระพุทธเจ้าก็ตามแต่เรื่องของทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจจะเกิดขึ้นภายในใจไม่มีเพราะอํานาจของสมุทัยหมดไปเลย น, นันี่พระพุทธเจ้าที่ท่านรตรัสสรุ่ท่านรตรัสสรุ่อย่างนี้แล้วก็นแนะนำสั่งสอนบรรดาประชาชนทั้งหลายให้เรียรู้ทางเดินพวกเราทั้งหลายนี่เปรียบเหมือนกับคนตาบอด มีตาก็ใช้ไม่ได้มีหูก็ใช้ไม่ได้มีจมูกมีลิ้นมีกายก็ใช้ไม่ได้เราใช้ได้แต่ทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเพื่อสัมผัสแต่เราจะใช้กระับดับกิเลสภายในจิตใจของเรานั้นใช้ไม่ได้นอกจากจะอาศัยพระปัญญาความเฉียวฉลาดความขยันหมั่นเพียรแก้ไขจิตใจของตนดัดแปลงตัวเองลงไปเท่านั้นนั่นจะใช้ได้ในทางนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงได้เอาดวงปัญญา สัมมาทิฏฐิเป็นต้นน่มามอบให้พวกเราทั้งหลายซองดูตัวของเราเคยเกิดมากีปภคกีชาติทําไมจึงสงสัยเรื่องความเกิดของตนหมือพวกเราโง่ขนาดไหนเราเก้าวเหยียบไปก็รอยของเราเองไปที่ไหนก็รอยของเราไปที่ไหนก็เหยียบไปที่นั่นเหตุไรจึงจํำลอยเราไม่ได้นั่นมีเรื่องความเกิดมันก็เป็นร่องรอยมาโดยลําดับลําดับถ้าไม่มีเชื้อแห่งความเกิดความเกิดจะแสดงตัวออกมาให้ปรากฏได้อย่างไร ต้องมีสายเงียบให้เกิดน่สายเงียของความเกิดก็คือเรื่องของอวิชชาที่ไม่รู้สึกตัวนั่นเองรู้ธรรมนาแต่ไม่รู้เรื่องที่จะแก้ตัวของตัวให้บุดพ้นจากร่องรอยที่เคยเกิดเคยเจอเคยเจ็บเคยตายนี่แหละท่านเรียกกับอวิชชาไม่ใช่หลงอนนะไรหลงเรื่องของตัวเองน่เราผิดกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้ท่านจินเนมมอบธรรมะให้พวกเราเป็นเหมือนกับตะเกียงแสงสว่างส่องทางไปทางมา ตองดูการทำตองดูการพูดตองดูการคิดอันใดผิดพยายามแก้ไขตนเองนั่นแหละที่ว่าปัญญาตองทางบุคคลนะครับความปลอดภัยไม่เป็นทุกข์นี่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ตรัสรู้อย่างนี้เมื่อได้ประกาศพระศาสนาถึงสี่สิบห้าพระวแล้วก็เสด็จกลับคันปธปฎิทานก่อนจะเสด็จไปกลับคันปธปฎิฐาน ก็เลยหยับบรรณาประสงค์ทั้งหลายมาประทุนและตรัสแล้วตรัสไว้ว่าดูก่อนทิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพยายามพิจารณาสังขารสังขารนี้มีความเกิดและเจริญขึ้นแล้วดับไปทั้งภายนอกและภายในพิจารโดยความไม่ประมาทเธอทั้งหลายจะรู้แจ้งแจ้งตลอดในสัจธรรมที่เราสถาคดลแสดงไว้แล้ว พอจบลงเท่านั้นก็ปิดพระโอษฐ์คือไม่เนจัดเรื่องอะไรต่อไปทาหน้าที่จะปรินิพรนานด้วยความสงา่าราศรีในพระองค์ท่านไม่มีความโกกสันการแสงในเรื่องความทุกข์ที่จะมาครอบงำในเวลานั้นมีความองอาจต่อหลักความจริงที่ได้จงบำเพ็ญมาเท่าไหร่จนทํานิทำนามและสามารถประกาศสั่งสอนโลกได้เป็นจานวนไม่น้อย พระองค์ก็ทรงทําหน้าที่จะปริพานเบื้องต้นก็เข้าปฐมฌานปฐมฌานมีองค์หตีติสุเอกาตาอานิตกวิการตีติสุเอกราตานี่ทันเดียวกับปฐมฌานออกจากนั้นก็เข้าทุติยฌานเข้าจะตัตยฌานเข้าจาตุูกฌานฌานแปลว่าความเพ่งเล็งการเข้าถึงนั้นพระองค์ทําให้สมกับว่าพระองค์เปงนสาวพดาของโลก เมื่อยังทรงกระชนอยู่ก็แสดงลวดลายของศาสน า, าไม่มีการบกพร่องไม่ว่าจะเอียงซ้ายเอียงขวาเหนือซ้ายแลขวาไปที่ไหนมาที่ใดลวดลายแห่งศาสน า, านั้นจะไม่บกพร่องไปเลยจึงสมกับว่าพระองค์เป็นปัตถาเทวมนุษย์สาหนังคือเป็นครูของมนุษย์และเทวดาและคนทุกท่านสมกับนามว่าเป็นศาสน า, าของโลกดูที่ไหนไม่ทรงวัง ทิ้งดุลอยของศาสนาการประพฤติปฏิบัติการไปมาการพูดการจาถูกต้องกับหลักของศาสนาสอนโลกผู้ใดได้มองเห็นพระพุทธเจ้าจะเป็นพริยาบทใดก็ตามเป็นที่เย็นอกเย็นใจเป็นที่เย็นหูเย็นตาเป็นที่เข่ารบเคลื่อมไสเพราะมีความสง่าผ่าเผยมีความรลมเย็นเจริายหูสายตาที่ผู้ได้เห็นได้ยินหรือได้เข้าเ้าในเวลานั้นเมื่อเวลาจับ เสด็จ ด, ดับคันท่าปฏิทานจะทิ้งลวดลายาศาสนายอย่างไรเล่าเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องเข้าปรถมมาชานเพื่อไว้ดวดลายของสัตดะศาะสด า, าในเวลาสุดท้ายเข้าปฐมมาชานก็เป็นรวดลายอันหนึ่งดุติยชาติตียชาตจเจือชานร้วนแล้วตั้งแต่ลวดลายของาศาสดาที่เป็นครูสอนโลกโดยสมบูรณ์จากนั้นก็เข้าอรูปประชานสี่คืออากาสานรน迦เจตนาณันา迦เจตนะ อาจินจัญญายจตนะเนสัญญานาสัญญาจตนะนี่เป็นอรูปฌานสี่เรียกว่าเป็นนามธรรมล้วนๆจากนั้นก็เข้าสัญญาเวทายกานิโรธ ด, ดับสัญญาและเวทนาไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในประกายของพระองค์ท่านแล้วถอยจิตกลับออกมาอีกจากสัญญาเวทายกานิโรธมาอาเนสัญญานาสัญญาเจตนะจนกระทั่งลงไปถึงปฐมฌาน นั้นเข้าไปอีกเข้าปฐมฌานรุติยฌานปฏิฌานจัตุตฌานเข้าไปอีกพอผานจากจัตุจัตุฌานแล้วเท่านั้นไม่ต้องไปฌานไหนๆเสด็จนิพพานในท่ามกลางแห่งฌานทั้งทั้งสองคือรูปฌานและอรูปฌานนั้นทําไมพระองค์ท่านจึงทรงนิพพานในระหว่างกลางไม่ทรงนิพพานในฌานในฌานหนึ่ง นี่ก็เพราะลวดลายของศ า, าสดาสมกับภูมิของพระพุทธเจ้าโดยแท้จริงหากว่าพระพุทธเจ้าจะนิพพานในชาตใดชานหนึ่งเสียอย่างนี้บรรดาสาวกที่รู้เห็นตามพระพุทธเจ้าในความบริสุทธิ์แล้วจะต้องตำหนิพระพุทธเจ้าว่าไม่สมภูมิกับศ า, าสดาที่สอนโลกเวลาสุดท้ายกลายเป็นเรื่องบกพร่องในการปรีพาน เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเพื่อประกาศองค์ของท่านให้สมกับศาสดาทั้งในเบื้องต้นในถ้ำกลางและวาระสุดท้ายจึงต้องนิพพานในถ้ำกลางแห่งฌานทั้งสองคือปฐมรูปประชานและอรูปประชานเพราะรูปประชานก็เป็นสมมติอันหนึง่งฮะอรูปประชานก็เป็นสมมติอันหนึง่งจะไปเข้าในสมมตินั้นไม่สมคุมทีิว่า น, นิพพานจึงออกในย่านกลางไม่ไปในฌาในใดๆทางนั้นนั่น เมื่อถึงจุดนั้นแล้วก็เป็นอันว่าปฏิพทานโดยสมบูรเมื่อปฏิญทางแล้วก็ถ้า ศ, าศพของพระองค์ท่านก็เอาไว้เพียงเจ็ดวันต่อจากนั้นก็ถวายพระเพลิงแต่มาตกมาสมัยของพวกเรานี่จะ ก, กลายเป็นปลาร้าไปหมดแล้วครูบาอาจารย์องค์ไหนตายก็เอาไว้สองปีสามปีสีป่ปีขายกันจิ้นอยู่เช่นนั้น ฟืนเผาไม่แห้งฟืนเผาไม่ไหม้นอกจากจะหาเอากระดาษเอาเงินมาเผากันนี่น่าขลดสังเวยมากนะต่อไปก็กลายเป็นประเพณีอีกเหมือนกันคูบาอาจารย์ลงน้ำตายสองปีสามปีเก็บ ด, ดองกันไว้อย่างงั้นลนะ่ะหาอยู่หากินแอบคนอยู่นั่นอถ้าจะเผาท่านก็กลัวจะวัดว่าอาวาอาวาจะเสื่อมกลัวตตุปชาจะมีเมื่อเป็นอย่านั้นนั่นแหละมันจะเสื่อมจะหาที่จเจริญไม่ได้เพราะเราไปสนใจกับเรื่องศพ ของท่านเท่านั้นไม่ได้สนใจในข้อวัดปฏิบัติของเราที่จะปรับปรุงตัวขงเราให้ดีอย่างหนบ้างเพราะศาสนาไม่ใช่เจริญมาด้วยศกด้วยเมนแต่เจริญมาด้วยข้อวัดปฏิบัติที่ผู้ปฏิบัตินั้นให้ตรงตามหลักสุ ป, ปฏิปันโนอุทุงานยายสามมิิปฏิปันโนตรงแล้วไม่อดไม่อยากเพราะเหตุใดเพราะแก้วสารพัดนึกมีภาณิจจะแล้วไปที่ไหนก็าสมบูร์ไปหมดนั่นพระพุทธเจ้าท่านมุม่งหวังอย่างนี้ มาได้สอนเพื่อยเราทั้งหลายตายแล้วเจ็บกันไม่ต้องเป็น ป, ปีปีสองปีสามปีเนีเจ็บดองกันไรเง่ะแอปันจริงอยู่แค่นั้นวันนี้ได้แสดงถึงเรื่องพระพุทธเจ้าประทูตดตรัสรู้และปาริภานให้บรรณาเราทั้งหลายที่เป็นพุทธบริกัทได้ทราบแล้วน้อมเรื่องของพระองค์ท่านมาประพฤติปฏิบัติ ตามจริตนิสัยกําลังความสามารถของเราหากว่าเราจะไม่ถึงจุดหมายปลาทางอย่างพระองค์ท่านก็ตามคําว่านิยานนิกระรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติโดยชอบธรรมเต็มปติกําลังความสามารถของเราแล้วอย่างไรก็จะต้องให้ผลแก่เราโดยแน่นอนสมกับคําว่าธรรมโมหาเวรคติธรรมจารีถ้าทําไม่เคยปล่อยทิ้งผู้ใดที่ประพฤติตัว ดีประพฤติปฏิบัติชอบยอมได้รับผลเป็นเครื่องตอบแทนตามขั้นตามภูมิแห่งกำลังความสามารถของตนที่ปฏิบัติได้ดังนั้นในอวสานแห่งธรรมเทญนานีีขอบุญญานุภาพจงแห่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมตั้งประธรรมและประสงจงมาปรการาวเราทํานพุทธบริษัตทั้งหลายทั้งมาจากทางใกล้และมาจากทางไกลอุตสาหมาด้วยความเรีสละทุกท่านให้มีความ เป็นอกเียนใจปรารถนาสินใดจงสมความมากปรารถนาโดยทั่วหน้ากันเอวังก็มีด้วยเพื่อกาและัน์หลับหลับหลับ